นิชรคุยธรรมะในวันนี้เรามาคุยๆมาสอนทั้งหลายแหละเนี่ยจริงเห็นณ นำคําสอนต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังปฏิบัตินะที่พุทธเจ้าของเราปฏิบัติต่อมารู้แจ้งเห็นจริงแต่เป็นความ ทุกคนทุกคนก็มีนั่น แต่คือคํามุ้งต่างๆเหล่านั้นก็มาสนใจในเรื่องความที่มันเป็นตัวหนังสือตัวอักษรนํา การการสึกษาโปรเจกต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรามีความเข้าใจได้ เอ่อเพราะงั้นจึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องคือหมายความว่าถ้าเราเอาคําพูดคําสอนของ เวลาที่เราไปโดนมันแรกๆกระแสเลือดใช่มั้ยเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่หัวใจเนี่ยแม่งมันจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นมันจะมีดีเลย์ตามๆไปเถอะชั่วๆแม้ หรือว่าตอนที่อยู่ผิวหนังแค่ปากแผลเนี่ยนะเมื่อมันเข้าถึงกระแสเลือดมันเข้าถึงเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกไม่ดีทําความผิดเนี่ยเอาความรู้ความเรียนที่เรา เมื่อไหร่ก็ตามที่มันให้ผลเนี่ยเช่นไปตกนรก เพราะว่าจริงๆปริญญาของมันก็มีแง่มุมที่กว้าง 陶เจียว่าแรงไสยแนวของคมๆในสกัดมันดอกในการสกัดอย่าง ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ขึ้นณสถานที่นี้และหมายถึงการที่จิตของเราเป็นๆแล้วมัน <oons> นะของสิ่งที่ไม่ดีอยู่ได้การกลับกําเริบนี้ก็คือบางทีที่มีอะไรมากระทบที่อย่าง แล้วมีใครมาด่าเราว่าเราเราเริ่มจิตจาดล่ะลักษณะจิตแบบนี้คือจิตที่ยังมีการกลับกลําเริบนั้นตอนที่อยู่สบายอยู่แต่พอชาม นะการฝึกปฏิบัติเนี่ยคือนอกจากเรามารู้คําสอนบ้างอะไรบ้างใช่มั้ยเราฝึกปฏิบัติๆอย่างจังนั้นขึ้นหมายความว่าเราไม่ได้ว่า นี่คือไม่ใช่ว่าการปล่อยวางแบบพระอรหันต์ไม่ต้องเก็บผ้าไงไม่ใช่แต่ว่าเราเราปล่อยวาง ที่กล่าวคือว่าหมดความขุ่นมัวพอหมดความขุ่นมัวใสสว่างสบายเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นได้เห็นในที่นี้คือหมายถึง ไอ้คืออะไรเป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วเราควรจะโฟกัส เย็นจิตมันมีมามีอํานาจเหนือเรานะถ้าเราไม่รู้ว่าจิตคนอื่นไม่ต้องไปสนใจ มีสติมากขึ้นมีสติมากๆจำได้มั้ย 5 นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะหรือพละ 5 ก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะ นะปรับประวัติสมาธิกับวิริยะคือความเพียรเป็นตัวที่ปรับคอยดูคอยรู้วาระจิตของตัวเองนะ ที่บางคนเนี่ยไปทําอย่างด่วนเลยทําอย่างเช่นนี้ว่าเต็มที่ไหนคือหมายความว่าตัวนั้นอาจจะเหนื่อยปราบได้ซ้ําเหมือนเราวิ่งออกกําลังกายอ่ะนะเอาคือว่าเราทํา 10 วันบ้าง 5 วันบ้าง 7 วันบ้างบ้างอย่าง เนี่ยไปทําชั่วทําบาปได้ทุกอย่างโอ้อย่างงี้ชื่อว่าคุณประมาทเรานะเราก็ค่อยๆที่จะฝึกทําไอ้ส่วนที่มันมี นะไปโฟกัสเรื่องที่ตัวเองทำไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องที่ตัวตรงตามจะมา นะ, นะ, นะ, 3 ที่ อาสีที่นี้นักปุถุชนพูดถึงสีที่ที่อันเป็นที่เที่ยวไป 2 คือเวทนานั่นคือ 3 คือสัญญาและสัญญาคือ รู้ดูลมใจของเราเนี่ยค่อยๆทําอย่างเป็นธรรมชาติท่านบังคับลมไม่ต้องตามลมแต่จะทําลมให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาสบายๆแล้วๆดีมีสติ ความพอใจความไม่พอใจนี่แหละเนี่ยคือพื้นที่เราทําไม่ได้ที่ฟุ้งซ่านอารมณ์ให้พอใจละอันนี้เชื่อว่าคุณยิ่งจะออกนอกแนวหรือว่าคุณทําได้แล้ว อัศจรรย์ต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพูดที่ประวัติประจําก็จะดีขึ้นมา